เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทปุบาศกปุบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2554เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันนำลึกถึงวันประสูตร วันตัดสรุวันสเสด็จ ด, ดับขันประลินิญพานของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่สัตวโลกทั้งหลายเพราะสักโลกทั้งหลายมีโอกาสที่จะหลุดพ้น จากความทุกข์ได้ก็เพราะความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังคาสอนก็จะรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจของเรา ใจของเราที่ไม่สงบเวลาใจไม่สงบก็จะผลิตความทุกข์ชนิดต่างๆขึ้นมาเช่นความว้าเวความเศร้าซ้อยน้อยเงาความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์ ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะความทุกข์เกิดที่ใจเหตุของความทุกข์อยู่ที่ใจเราต้องระ ง, งับเหตุของความทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะหายไปเองการที่เราไปหาสิ่งต่างๆมาเพื่อแค่เพื่อที่จะมาทําให้เราหายทุกข์นั้นเป็นเหมือนกับไปเอา สิ่งต่างๆมากรบของที่มันเน่ามันเสียกรบอย่างไรของที่เน่าที่เสียมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดขึ้นในใจของเราเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ของเราก็คือการทำใจของเราให้สงบ นั่นเองถ้าเราสามารถทําใจของเราให้สงบเราก็จะดับความทุกข์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาดับเช่นเวลาเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกมีความว่าเหวเราก็อยากจะมีคู่ครองมีสามีมีภรรยามีเพื่อนเราก็ไปหา สามีภรรยามาอยู่กับเราพอเราได้เขามาแล้วแทนที่เราจะไม่มีความทุกข์เมื่อความทุกข์นั้นจะหมดไปแต่กลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะตอนนี้เราต้องมาทุกข์กับสามีกับภรรยาของเราแล้วเราต้องห่วงกันห่วงกันแล้วก็ต้องเสียอกเสียใจ เวลาที่เราต้องพัดพลากจากกันแทนที่จะดับความทุกข์กับเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ว่าความทุกข์ทั้งหมดนั้นอยู่ที่ในใจของเราอยู่ที่ใจไม่สงบใจที่มีแต่ความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ พอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยไม่เคยศึกษาถึงความจริงของสิ่งต่างๆเลยว่าเขาไม่ได้อยู่อยู่ภายใต้ความต้องการของเรา <c oughs> เราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามความต้องการของเราได้ สิ่งต่างๆเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่รู้เราชอบอะไรเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราชอบนั้นอยู่กับเราไปนานๆสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นหมดไปเร็วๆแต่เขาไม่หมดไปเร็วและอยู่กับเราไปนานๆตามความปรารถนาของเรา เขาอยู่ไปตามวาระของเขาตามเหตุตามปัจจัยของเขานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันแทนที่เราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือความหลงของเราความไม่สงบของใจของเราเรากลับไปหาเหตุมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรามากขึ้น ด้วยการไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหาคนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเราแล้วก็ต้องวุ่นวายไปกับการดูแลรักษาและรักษาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรักษาเอาไ้ได้เพราะในที่สุดสิ่งต่างๆนั้นก็จะต้องเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาของเขานั่นเองนี่คือความมืดบอดของใจของพวกเรา ของสัตว์โลกทั้งหลายที่ต้องจมอยู่ในกองทุกข์อยู่มาทุกภพทุกชาติเพราะไม่รู้วิธีแก้ความทุกข์ที่แท้จริงว่าแก้ได้อย่างไรมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความฉลาดที่สามารถเห็นทะลุ ถ, ถึงต้นเหตุของความทุกข์ และที่ตั้งอยู่ของความทุกข์ว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ที่ใจของเราใจของเรานี้ไม่เคยได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยเพราะเราไม่เคยทำใจของเราให้สงบเลยแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้เราจะพบกับความสุขที่ไม่ต้องการอะไร ความสุขที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรานี่คือความสําคัญของพระพุทธเจ้าของการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วก็เหมือนกับมีหมอมารักษาโรคของเรานั่นเองโรคของเราก็คือโรคของความทุกข์ใจ ไม่สบายใจเศร้าโศกเสียใจว้าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายใจไปกับทุกเรื่อมทุกอย่างเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ของเรานั้นอยู่ที่ใจของเราที่ไม่สงบนี้เองพอใจไม่สงบแล้วใจก็จะเกิดความอยากต่างๆอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะมี สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือผลที่เกิดจากความไม่สงบของใจพวกเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เราเคยสังเกตบ้างไหมว่าเรามีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรความต้องการของเราก็ไม่หมดไม่เคยหมดไปเลยความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนั้นก็ ได้มาเพียงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองแล้วไม่นานมันก็หายไปเพราะเรามีความอยากได้สิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองเราจึงมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเราทำตามความอยากเท่าไหร่เราก็กลับยิ่งเพิ่มความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับตัวเรามากขึ้นไปเท่านั้นเพราะเวลาเราได้อะไรมาแล้ว เราก็ต้องหวงเราก็ต้องหวงแล้วเราก็ต้องเสียดายเสียใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มานี่คือชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันตายมีแต่ความอยากเป็นเหมือนลมหายใจเข้าออกไม่มีวันใดเลยที่บอกว่าไม่อยากไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราจึงอยู่กับความทุกข์มาตลอดและวิธีการแก้ความทุกขของเราก็เป็นวิธีที่เพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่คือความมืดบอดของใจของพวกเราต่างกับความสว่างสวัยของใจของพระพุทธเจ้า ที่ทรงเห็นวิธีเห็นเห็นทุกข์ว่าเกิดที่ใจและเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็เกิดก็อยู่ที่ใจและวิธีที่จะดับทุกข์ก็อยู่ที่ใจเหมือนกันก็คือต้องฉลาดต้องรู้ว่าความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราทำใจให้สงบได้ความอยากมันก็จะหยุดไปเอง พอความอยากหยุดไปจิตตั้งอยู่ในความสงบความอิ่มความพอก็จะปรากฏขึ้นมานี่แหละทำไมถึงทำให้พระพุทธเจ้าสามารถอยู่แบบนักบวชได้อยู่ในป่าในเขาไม่มีสมบัติอะไรเลยทั้งๆ ท, ที่สมัยก่อนที่พระองค์ทรงสเสด็จออกบวชพระองค์ก็มีสมบัติมากมายกายกองมากกว่าของพวกเราที่มีอยู่กัน หลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นเพื่อด้วยความทุกข์ความวิตกความกังวลความห่วงใยแต่พอพระองค์ทรงสเสด็จออกบวชแล้วทำใจของพระองค์ให้สงบได้นังงับความอยากต่างๆได้ก็ทำให้ใจหายจากความทุกข์ต่างๆหายจากความว้าเหว หายจากความเศร้าส้อยหมอยเหงาหายจากความเบื่อหน่ายหายจากความหวาดกลัวหายจากความวุ่นวายใจต่างๆอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ใจที่สงบนี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูปก่อนที่ทรงตัดสรู้ก็เป็นเหมือนพวกเราใจของพระพุทธเจ้าก็เหมือนใจของพวกเราตอนที่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้า ตอนนั้นใจก็ว้าวุ่นขุ่นมัวกับเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอวุ่นวายกับความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้วุ่นวายกับความโกรธโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่พออกไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอยู่เหมือนกับพวกเราแต่พระองค์นั้นเป็นคนฉลาดจึงทรงศึกษาดู ตอนต้นก็แก้ปัญหาเหมือนพวกเราก็คือไปหาสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์เวลาไม่สบายใจก็ไปหาเพื่อนไปเรียกเพื่อนฝูงมาร่วมดื่มร่วมรับประทานกันก็ทำให้ความทุกข์นั้นหายไปชั่วคราวพอวันร่วมขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมอีกก็ต้องมีเพื่อนมาคอยดื่มมาคอยรับประทาน มาร้องรำทําเพลงกันต่อทำอย่างนี้มากี่ปีความทุกข์ใจมันก็ไม่หายไปสักทีในที่สุดพ่อของก็ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ทางที่แก้ปัญหาแก้ความทุกข์ใจถึงทรงศึกษาดูก็เห็นมีนักบวชก็เลยไปถามเขาดูว่าเขาบวชทําอะไรกันก็ทราบว่าเขาบวชเพื่อทําใจให้สงบ เพราะเวลาใจเขาสงบแล้วเขาไม่มีความทุกข์เขาไม่มีความทุกข์กเหมือนพวกเราเขาไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการสิ่งต่างๆเหมือนพวกเราเพียงแต่ว่านับบวชทั้งหลายนี้เขาไม่สามารถทาใจให้สงบได้อย่างถาวรเท่านั้นเวลาใจสงบเขาก็มีความสุขแต่เวลาใดที่ใจเขาไม่สงบ เขาก็ยังมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความวุ่นวายใจมีความขิวมีความอยากกับสิ่งต่างๆอยู่พระพุทธเจ้าจึงได้ทราบแล้วว่าทางที่จะแก้ปัญหาก็คือแก้ที่ใจต้องทำใจให้สงบและต้องสงบอย่างถาวรคือตลอดเวลา เรื่องต้นก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่สอนให้ทำใจให้สงบก็สามารถทำใจให้สงบได้เป็นครั้งเป็นคราวที่เรียกว่าฌานสมาบัตรหรือสมาธิเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบตอนนั้นใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มีมความพอแต่หลังจากออกจากสมาธิออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆ ใจก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดความอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็เกิดความว้าวุ่นขุ่น ม, มัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ในขณะที่ไม่ไม่อยู่ในสมาธินี้ไม่มีใครรู้ครูบาอาจารย์หรือนักบวชทั้งหลายในสมัยก่อน รู้เพียงแต่เวลาทำใจให้สงบนั้นต้องเข้าสมาธิเท่านั้นต้องนั่งหลับตาขัดสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วใจก็กลับว้าวุ่นขุ่นมัวเหมือนเดิมหลังจากที่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็ไม่มีใครสามารถสอนวิธีที่จะทำใจของพระ อ, องค์ให้สงบได้ตลอดเวลาจึงต้องไปทดลองศึกษาด้วยตนเอง ตอนต้นก็คิดว่าความหิวตาหารความอยากรับประทานอาหารนี้เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความไม่ไม่มีความสงบในขณะที่ออกจากสมาธิเพราะองค์เลยอดอาหารเพื่อคิดว่าการอดอาหารนี้จะทำให้ความความอยากจินอยากหาความสุขจาก ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้หมดไปแต่ทดลองอดไปถึง49วันด้วยกันก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากความวุ่นวายใจได้พระองค์ทรงรู้ว่าการหยุดรับประทานอาหารไม่ใช่ทางที่จะทำให้ใจสงบและหายจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจได้ในที่สุดก็ทรงละเลิกถึงสมัยหนึ่ง ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ตามลําพังแล้วไม่มีใครมาห้องร้องพระองค์ในขณะนั้นพระทัยของพระองค์ก็สงบตัวเข้าไปสงบระงับโดยธรรมชาติของเขาพระองค์จึงทรงเห็นว่าวิธีที่จะทําให้ใจสงบในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธินั้นจะต้องไม่หลง ไปอย่ากับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ทำให้ใจสงบแต่กลับทำให้ใจว้าวุ่นขุ่หมัวพระองจึงทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบแต่เป็นเหตุที่จะทำให้ใจมีความทุกข์วุ่นวายขึ้นมาเวลาอยู่คนเดียวใจสงบไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ แต่เวลาไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาเดี๋ยวคุยกันหรือทำอะไรกันก็อาจจะไม่ถูกใจกันไม่พอใจกันก็เกิดความเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงพิจารณาว่าปัญหาที่ทำให้ใจไม่สงบในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินั้น<ม>ก็เพราะว่าใจ ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จึงได้ทรงพิจารณาจนเห็นว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราต้องปล่อยวางอะไรจะเป็นอะไรอย่างไรใครจะเป็นอะไรอย่างไรใครจะดีใครจะชัว่ว เราไปห้ามเขาไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราเราก็ห้ามมันไม่ได้ร่างกายของเราเราอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆมันก็ไม่อยู่ไปนานๆตามที่เราอยากเพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องตายจากเราไป <c oughs> หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณา <c oughs> ก็ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดมีการดับ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะควบคุมบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆเหมือนฝนตกแดดออกเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงคนที่เราอยู่ด้วยก็เป็นอย่างนั้นเราไปอยากให้เขาดีเสมอก็ไม่ได้อยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เสมอก็ไม่ได้ เวลาเขาทำบางทีเขาก็ทำบางทีเขาก็ไม่ทำเพราะใจของเขาอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีนี่คือปัญญาที่จะทําให้พระพุทธเจ้าทรงตัดสินใในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าต้องปล่อยวางทุกอย่างทุกอย่างที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของอยู่ เช่นร่างกายก็ต้องปล่อยวางต้องยอมรับว่ามันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอทรงพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนแล้วพอทรงปล่อยวางแล้วพระไทยของพระองค์ก็ไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปความทุกข์ก็อยู่ที่ใจไปยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองพอปล่อยวางได้แล้วความทุกข์ต่างๆภายในใจก็หายไปหมดเลย นี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ารู้จักทุกรู้จักต้นเหตุของความทุกข์รู้จักวิธีการดับทุกข์รู้จักการทำทุกข์ให้หมดไปไปจากจิตจากใจหลังจากนั้นมาพระใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความทุกข์อยู่หลงเหลืออยู่เลยะไปตลอดจนวันถึงที่เสด็จดับขันธ์าณนนีผ่านไปใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่เหมือนของพระพุทธเจ้า ใจของพวกเรายัางว้าวุ่นขุนบัวยังวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกใจกันมาทำใจกันมาปล่อยวางกันด้วยการมาทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นการปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินความจาเป็นสินใดที่เรามีมากเกินไปอย่าเก็บเอาไว้ พอ เ, เก็บเอาไว้ก็แสดงว่าเรายังยึดติดพอเรายึดติดกับสิ่งใดใจของเราก็จะมีความวิตกกังวลกับสิ่งนั้นดังนั้นเราต้องให้ทานสละสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่ไปพอเราสละได้แล้วต่อไปเราก็จะสละได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะสละได้แม้แต่สามีหรือภรรยาหรือลูกของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละ ทรงมีราชโอรสทรงมีพระแมเหสีแต่ในที่สุดพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าต้องสละบุคคลเหล่านี้ไปถ้าอยากจะดับความทุกข์ภายในใจพระ อ, องค์จึงสละแล้วก็เสด็จออกบวชไปปฏิบัติธรรมต่อไปทำใจให้สงบต่อการทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางสิ่งต่างๆ พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากการให้จากการเสียสละเราก็อยากจะให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนพระเวชจะสันดอนเพราะเวลาเราให้อะไรไปเราจะมีความสุขเวลาเราหวงเราหวงเรากลับมีความทุกข์ดังนั้นเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าสิ่งของต่างๆที่เรามีที่เราหวงนี้เป็นโทษกับเรา แต่ถ้าเราไม่หวงแล้วเรายกให้คนอื่นไปกับเป็นคุณกับเป็นประโยชน์กับเรานี่คือสาเหตุที่พระเจ้าต้องสอนให้พวกเรามาทำบุญให้ทานกันแล้วก็ให้รักษาศีลกันแล้วก็ให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่เป็นความสุข และไม่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากกับอะไรอีกต่อไปและเราก็จะมีความสุขไปตลอดนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการที่เรามีวันวิสาขบูชานี้ ก็เพื่อมีไว้ให้เราได้มีเวลาว่างจากความหลงที่เราไปบัวทุกกับเรื่องราวต่างๆให้เราได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาถึงชีว่าประวัติของพระพุทธเจ้ามาศึกษาถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รับประโยชน์อย่างวันนี้เราก็ทราบแล้วว่าความทุกข์ของเรานั้นอยู่ที่ไหน และวิธีแก้ความทุกข์ของเรานั้นต้องแก้ด้วยวิธีใดถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองไม่มีคู่ครองไม่มีอะไรอยู่เพียงคนเดียวแต่เรากลับจะมีความสุขมากกว่าสมัยที่เรามีสมบัติเข้าของเงินทอง มีบริสัทธ์ปริวารห้อมล้อมเราอยู่อย่างมากมายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความสุขแต่มันเป็นความทุกข์นั่นเองนี่คือเรื่องของวันวิสาข บ, บูชาถ้าเราอยากจะทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราทำด้วยการปฏิบัติบูบชา คือทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาและนำมาสั่งสอนให้แก่พวกเราก็คือให้พวกเราสละให้ปล่อยวางให้บริจาคให้เสียสละยกข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่ไม่จำเป็นให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็หาเวลาไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพื่อบาเพ็ญสมัมมาธรรม คือทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดด้วยปัญญาเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ่นไปนี่คือเรื่องของวันวิสาขาบูชาจึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินในวันนี้ให้นำเอาไปพินิจพิจารณาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภาะโดยทั่วหน้ากันเทอ